พร้อมที่จะอธิบายทำในคืนนี้ตามประเด็นที่อยากจะถามกับโยมที่เดินทางมาจากเ<ป>ชียงใหม่หรือลำปางปมาจากลําปาง250กว่ากิโลเมตรนะจากนี่ไปลําปางใช่ไหมจากกรุงเทพมาลำปางจากกรุงเทพด้วยโอ้หลายทอดคนก็ถึงเท่ใจถึงจะมาเท่มารับคุณลําปางอ๋อ ไม่งั้นคนลังปางจะไม่ได้มามนะในไหก็มาก็ถือว่าทำการบูชาพระพุทธองค์โดยการสนทนาธรรมกันบูชาวันมาข้าบูชาในข้ามคืนนี้โดยการไต่าถามธรรมกับการแสดงคําจากอาตมาคือการอธิบายธรรมะที่เป็นประเด็นที่จะได้ต่อ และทําความเข้าใจเดยชื่อว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าสรรเสริญการปฏบบิบัติบูชานมห้องเย็นนะประเด็น เ, เสียงเข้าหรือเปล่าเช็คดูสิ มือใหม่เดี๋ยวคนทั้งบ้านเนาะดูเสียงเข้าเห็นบางบางครั้งก็เห็นแต่ปากขบุบขมิบเสียงไม่ไปบ้านก็ไม่ได้ยินใช่ไหมนะแต่พันธุ์เขาไม่ได้ยินต้องเช็คระบบการถ่ายทอดไม่ค่อยเกิดบู้อเท่าไหร่ ปรับปูุแก้ไขได้ดีเท่านี้แหละเพราะอุปกรณ์มันจํากัดอยู่แค่นี้มันมันได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้ความคมชัดก็เท่านี้คุณภาพการถ่ายทอดก็ได้เท่านี้ก็ฟังเอาสาระเนื้อหาก็พอแล้วไม่จําเป็นต้องคมชัดหรอกถ้ามันถึงกับ ทำให้เกิดการลายตาในการรับชมรับฟังก็ต้องขออภัยว่ามันทําให้ลายตาตาลายบางทีมองจอไป น, น, น, นานๆถ่ายภาพออกไปมัวตาเราก็มัวไปด้วยเหมือนกันเนี่ยมันมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมก็ตรงนี้ก็แก้ไม่หายมันขึ้นอยู่กบับพื้นสัญญาณที่ใช้อยู่เนี่ยแต่ถ้าถามกันก็ดูกันยังไม่เป็ก็รู้กั น, น, น, นยังไม่เป็นอีก อย่างที่ไม่รู้เข้าหรือไม่เข้า ถ้าไม่มีก็เข้าไม่ได้ดูไม่ได้พอนี้มันเป็นการแสดงทาผ่านเพจซึ่งจะต้องใช้เฟซบุ๊กในการติดตามชมก็คิดคิดอยู่ว่าจะจะยกเลิกจะปิดเพจอยู่เหมือนกัน เพราะมันดําเนินการมาได้เท่านี้คุณภาพที่ทําออกมาก็ได้ตร่นีม้มีโยมแจ้งมาว่าชัเดเจนโอเคใช่ไหมถ้าชัดเจนก็ได้นะเข้าสู่ประเด็นในการที่จะอธิบายทำในคืนนี้โยมนี่เป็นอะริตใจอ๋กกอประเด็นคือนดีเมื่อกี้คุยเองที่โรงครัรวแบบว่า เรื่องอารมณ์ที่มากระทบมค่ะเรารู้แล้วแล้วเราทําไมถึงไม่ยอมดับทำไมต้องปล่อยให้ให้อารมณ์ที่มากระทบเนี่ยมันมันต่อเใ่้มันไปรีบเลยจ้ะในในในความสงสัยก็คือว่าทําไมเราไม่รีบดับอารมณ์ใช่ไหมเด็รู้ว่าเรากำลังโกรธอย่างเงี้ยแล้วทําไมเรารู้ว่าเราโกรธแล้วทําไมเราไม่ยอมดับ ความโกรธมันไม่ใช่กิเลสมันเป็นตัวทุกข์ขัดจังที่เราจะต้องเรียนรู้เพราะความที่เราไม่เคยเรียนรู้ความโกรธที่เกิดขึ้นกับจิตเรามาโดยตลอดอเราพยายามที่จะดับมันมันจึงเกิดปัญหาของการที่เราเข้าไปดับมันเพราะบางครั้งมันก็ดับบางครั้งมันก็ไม่ดับตามความอยากของเราใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่จะดับตามความอยากได้เสมอไป พะเหตุชนิดนี้เององค์จึงสอนให้เราเรียนรู้เราเรียนรู้ความผลได้เราเรียนรู้อารมณ์ได้เราไม่จำเป็นต้องปล่อยให้มันดับแต่การที่มันมีอยู่โดยความมีอยู่ของมันตามภาวะแห่งความเป็นของมันเราเรียนรู้ในสิ่งที่มันเกิดและมันเป็นเราจะเกิดปัญญามากกว่าเข้าไปดับมันการเข้าไปดับมันบางทีอาจจะดับได้จริงแต่เราจะไม่เกิดปัญญาในการที่เราเข้าไปดับ คือเราไม่เห็นลักษณะที่เป็นธรรมชาติโดยเป็นตัวสภาวะของไตรักเราจะไม่เห็นการที่เราจะเห็นได้เราจะต้องปล่อยให้มันเกิดเพื่อเพ่งดูลักษณะของการเกิดของอารมณ์ตอนแรกมันก็เป็นการรับอารมณ์นั้นแล้วก็ทําให้เรารู้สึกอึดอัดพวกใจหุดหงิดลําคาญโมโหอยู่ก็จริงแต่การที่เราเรียนรู้ไปเรื่อยๆ กับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในจิตดูการเกิดดูการตั้งอยู่การดับไปและในขณะที่เราดูนั้นเราก็ไม่คิดต่อไม่ปรุงแต่งต่อแล้วก็อดทนเพื่อที่จะดูการดับต่อไปเราจะเห็นอารมณ์แห่งความโกรธนี้เป็นเพียงแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นที่เกิดเราจะไม่เห็นว่ามันเป็นอารมณ์อะไรสักอย่างเลยมันเป็นเพียงแค่สภาพอันหนึ่งหรืออะไรบางอย่างที่เกิดที่มากระพบแล้วเกิดขึ้นในจิต พอกระแสขึ้นนี้พวกเราลงจากการที่เราได้เรียนรู้แล้วเมื่อเราไม่ได้มองเห็นเป็นความโกรธคือมันมันผ่านคือตัวปัญญามันจะมองผ่านปเป็นเหตนเพียแค่ลักษณะอันหนึ่งที่เกิดระดับเกิดระดับจึงได้ทราบตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาจะส่งผลไปเป็นอย่างในจิตเราโดยประสงค์ของกุทธเจ้าเพื่อให้เกิดยานรู้รู้ตามความเป็น จ, จริงการที่เรารู้ อารมณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเพื่อให้เราเข้าใจใ ห, ให้เข้าใจตัวเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราไม่เข้าใจอารมณ์แล้วเราจะปฏิเสธอารมณ์เพราะถ้าหากเราเข้าไปดับเข้าไปกระทาการใดๆก็ตามเพื่อจะหยุดระดั บ, ด บ, ดบอารมณ์เนี่ยเวลามันจะเกิดขึ้นอีกปั๊บเนี่ยเราจะไม่ชอบเพราะเราจะมีการตั้งค่าของการปฏิเสธเพราะเรารู้สึกว่า เราจะต้องดับมันการที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องดับมันเนี่ยมันก็จะมีสภาพอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการหวงแหงตัวเองหรือว่าปกป้องตัวเองไม่หากไม่อยากให้อารมณ์กระทบการปกป้องตนเองหรือหวงแหงตนเองไม่อยากให้ตนเองได้รับการกระทบจากอารมณ์นี้เองภูริจยัยบอกว่ามันเป็นการสร้างอัตตาสร้างตัวตนขึ้นในภายในโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเป็นความไม่รู้อ่ แทรกอยู่เมื่อมีความไม่รู้แทรกอยู่มันจึงมีแรงของตันหาอยู่ภายในที่ซ่อนแฝงมาพร้อมกับอาการที่เราเข้าไปดับมันอยากดับมันปฏิเสธมันเรอเนี้เป็นอาการของตันหาเลก็กแล้ก็เป็นการปกป้องตัวเองก็ถือว่ารักษาตัวเองไม่อยากให้ได้รับกระทบการรักษาตัวเองไม่อยากให้รับกระทบนี่เองมันจึงทําให้ทําให้เราหนีอารมณ์อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยแต่พุทธเจ้า พระพุเจ้าก็ทราบนะไม่ใช่ว่าไม่ทราบอ่ะเราเราเราหนีอารมณ์เราหนีได้เราหลบอารมณ์เราหลบได้เราดับอารมณ์เราหาวิธีดับได้สมาธิก็ดับได้ฌานก็ดับได้จนถึงสมาบัติแก่ก็ดับได้แต่ไม่มีปัญญา ร, รพพู้ทําตามความเป็นจริงที่เขาบําเพ็ญกันนอกพุทศาสนาได้ฌานจนกดข่มอารมณ์จนไม่มีอารมณ์ในไปรากฏขึ้นมาเลยเนี่ยเขาได้ถึงเนวสัญญาณสัญญาญาตาฌานแต่เขาไม่มีปัญญาในการละอสาาวะไปอยู่ในชั้นผง ตรงนี้ตึงการส่งต่ออารมณ์ไปอีกจุดหงใช่ไหมคะใช่มันส่งต่อกันเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วผู้ได้อาจึงให้เราเรียนรู้ทุกเพราะมันไม่ใช่กิเลสอารมณ์ทั้งหมดไม่ใช่กิเลสนะมันเป็นทุกขศาสตร์จักรที่เราจะต้องเรียนรู้อารมณ์เครียดอารมณ์โกรธถูกต้องเข้าไปทักมาเลยวันนี้คือทุกขศาสตร์จกักมันไม่ใช่กิเลสทั้งเก็เครียดแค่ไหนก็ตามมันไม่ใช่กิเลสแต่การที่เราไปรู้จักความเครียดที่กําลังเกิดขึ้นกับตนเองนั่นน่ะเราไม่ได้บอกว่านี่เรากําลังเครียดดาาเเรกกกํลัังิขึ้นบ ความเครียดกาลังบีบพันธ์จิตใจเราเราเครียดเพราะเรื่องนี้เรื่องนี้ก่อให้เราเครียดการที่เรารู้จักเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องนี้เหตุเกิดความเครียดเป็นเรื่องนี้เราทักไปเรียนรู้ไปสาวหาไปมันจะเข้าใจความเข้าใจมันจะเกิดปัญญาปัญญามันจะยอมรับเมื่อเรายอมรับสิ่งที่มันมีเหตุแล้วเกิดขึ้นมาพร้อมกับเหตุมันก็ต้องเป็นไปตามนั้น <laughs> เข้าใจไหม <laughs> <c oughs> ทีนี้เมื่อเราเข้าใจเกิดการยอมรับขึ้นมาปั๊บเนี่ย สิ่งเหล่านี้คืออารมณ์ของโลกที่เราจะไม่ไปปฏิเสธเมื่อเราไม่ปฏิเสธเราก็กล้าเผชิญเมื่อเรากล้าเผชิญ เ, เราก็จะเห็นอารมณ์เป็นว่าเป็นแค่อันหนึ่งที่เกิดเราผ่านเข้ามาในชีวิตเราแล้วก็ดับไปแค่นั้นนั่นคือความจริงของชีวิตที่เราจะต้องเรียนรู้จริงๆประเด็นนี้ดีมากเลยนะที่ฐานเข้ามาเนี่ยพอนักปฏิบัติทั้งหมดจะติดขัดอยู่กับเรื่องราวเหล่าเนี้ยเมื่อติดขัด จนใช้อุบายวิธีในการดับอารมณ์เนี่ยโดยการทำความสงบและทำได้ก็ค่อยใช้ว่าตนเองอยู่เหนืออารมณ์ได้จริงๆไม่สามารถอยู่เหนืออารมณ์ได้เลยเพราะอะไรเพราะมันเพียงแค่กบไว้ชัว่วคราวใช้อำนาจสมาธิมากบสมาธิในความหมายของพุทธเจ้าก็คือว่าเวลาอารมณ์มากระทบจิตอยาคล้อยตาม ให้จิตตั้งมั่นแล้วก็ดูอารมณ์ที่เกิดบางคนบอกมันกําลังกิตไม่ถึงที่จะดูทําไงมันไม่มีใครมีกําลังกิดทันทุกคนหรอกในครั้งแรกเมื่อเผชิญอยู่เรื่อยๆเผชิญอยู่เรื่อยๆเผชิญอยู่เรื่อยๆเผชิญอยู่เรื่อยๆรู้อยู่เรื่อยๆภาคอยู่เรื่อยๆไม่ทันอยู่เรื่อยๆบัณฑ์การรู้บ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดการเขาเรียกว่าแอคทีฟหรือ ว, ว่าสติมันจะพัฒนาตัวเองขึ้นไป เพื่อที่จะทำให้มันทันในภายหลังตัวเนี้ยพอสติรู้ทันปั๊บมันก็จะทําสตินี่จัดอยู่ในองค์ของสมาธินะสมาสติสมาวิมารสมาสติสมาสมาธิสามอย่างเนี่ยจัดอยู่ในองค์ของสมาธิสมาวิจารกัมมันตาอาชีวะจัดอยู่ในองค์ของศีลสมาธิถีสมาสังกัปปะจัดอยู่ในองค์ของปัญญาปัญญาศีลสมาธิคือเส้นทางแห่งมรรคจะเลี้ยงกันอย่างนี้คือเลี้ยงปัญญาก่อนแล้วเข้าหาศีล แล้วพอไปสู่สมาธิสมาธิผู้จเจ้าบอกว่าเปรียบเส ม, มือนเรือนยอดคําว่าเรือนยอดก็คือมันสิ่งเป็นสิ่งที่จะต้องนํามาไว้ที่หลังคือสร้างที่หลังเกินที่หลังเหมือนกับเราสร้างเรือนเนี่ยยอดเรือนเนี่ยเราจะเอาไว้ไว้ใส่ที่หลังเหมือนกับยกช่อฟ้าอย่างนี้ทําไหมต้องทําตัวอุโบสถทํำรังคาทําทอะไรให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเอาเอาไปไว้ขบวนเรียกว่ายกช่อฟ้าสมาธิเหมือนกันเอาไว้ที่หลังสตสิสมาสติ สัมมาสติสมสัปทิสมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะปัญญาเนี่ยเป็นองค์ของปัญญาต้องสร้างขึ้นมาก่อนแล้วตัวสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะจะพาเราเข้าไปหาสีเลงสัมมาวาจากรรมฐอาชีวะแล้วสติสมาธิจะเกิดขึ้นมาฉะนั้นแล้วการเข้าไปเห็นอารมณ์จึงเป็นสัมมาทิฏฐิคือต้องเห็นถ้าเราไปดับอารมณ์ มันก็ไม่ได้เห็นคือไม่ได้เรียนรู้เมื่อไม่ได้เรียนรู้อารมณ์เราจะไม่เข้าใจอารมณ์เมื่อเราไม่เข้าใจอารมณ์เราก็จะไม่เข้าใจสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้ตามความเป็นจะริงนะเราก็จะกําหนดหมายเฉพาะสิ่งที่เราพอใจแล้วก็ปฏิเสธในสิ่งที่เราไม่พอใจเราจะทำอย่างนี้ตลอดทั้งชีวิตมันนี้มีความสุขเพราะเราจะปฏิเสธอะไรบางอย่างที่ ท, ที่เราไม่ชอบกับเราแล้วลปฏิเสธแล้วบางทีมันปฏิเสธได้ตลอดเวลาไหมล่ะ เราจะต้องเจอสิ่งที่เราไม่ชอบใจอยู่แล้วใช่ไหมแม้เราไม่อยากจะเจอปฏิเสธยังไงมันมันต้องเจอเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าเรียนรู้และยอมรับมันดีกว่าปฏิบัติปฏิเวทถูกต้องที่นั่น <c oughs> เรียนรู้คือปริยัติปฏิบัติก็คือยอมรับปฏิเวทก็คือเข้าใจมันเป็นอย่างนี้ของมันธรรมดาใช่ไหมมันจะตกโล่สูงความเป็นธรรมดาก็เป็นอย่างนี้ธรรมดา ทุกคนคนที่ยอมรับความเป็นธรรมดาของโลกนี้ไม่ได้คนคนนั้นจะอยู่ในโลกนี้อย่างทุกข์มากลาบากมากฉะนั้นโลกนี้หรือว่าอารมณ์ของโลกมันมันมันเป็นเครื่องสอนใจเราแต่เราไม่ยอมรับการสอนจากสิ่งที่อยู่ในโลกนี้เมื่อเราไ ม, ม่ยอมรับการสอนที่โลกมันกำลังสอนเราด้วยอารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเราจึงไม่รู้จักการเบื่อหน่ายโลก เมื่อเราไม่รู้จากการเบือนในโลกเราก็หนีออกจากโลกไม่ได้สุดท้ายเราก็วนเวียนมาสู่โลกนี้อีกแล้วก็เจอปัญหาต่างๆในโลกนี้อีกเหมือนเดิมวงจรเดิมเพราะเราไม่ได้สร้างหนทางแห่งการดับความทุกข์คือเราจับคําพูดผิดตรงที่ว่ามักคือพ้อปฏิบัติเข้าไปดับทุกข์คำพูดกป็นอย่างนั้นจริงแต่วิธีประเดือฐไม่ใช่ว่าเป็นทุกข์แล้วเข้าไปดับมันไม่ใช่นะ ใช่ต้องเรียนรู้เรียนรู้ถ้าเราเรียนรู้เราก็ดับได้ <c oughs> ทีนี้มันจะเกิดปัญหาว่าในขณะที่เราปล่อยให้มันเกิดเนี่ยแล้ว จิตของเราตั้งมันมีเพียงพอเนี่ยก็ต้องเผลอคายตามหลงคายตามแล้วก็เป็นไปตามตัวนี้แหละที่ที่บางคนจะไม่เข้าใจว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราก็แทบจะไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยเพราะเราก็ถูกอารมณ์ครอบงาไปเสียทั้งหม ด, ดเราจะจะปฏิบัติกับมันยังไงเราต้องยอมเป็นไปตามอารมณ์ก่อนนะในแรกๆเขาเรียกว่ายอมเป็นไปตามก่อนคือให้รู้สึกตัวว่า ยังไงเราก็ต้องรู้อารมณ์ <med> ไม่ทันอยู่แล้วแต่เรายอมเป็นไปตามอารมณ์เพื่อที่จะ <med> สร้างสร้างความเข้าใจยอมทุกไปกับมันก่อนเพื่อที่จะสร้างสร้างความเข้าใจเลาว่ายอมรับสิ่ง <med> ที่มันเกิดกับเราไปเรื่อยๆมันจะเป็นการยอมรับโดยถู ก, วกควบคุมด้วยความรู้มันไม่ใช่ยอมรับเป็นทุกโดยถูกทุกบีบคั้นโดยฝ่ายเดียวแต่เป็นการยอมรับโดยที่เราก็ยอมรับเพื่อที่จะรู้ แม้จะถูกบีบคั้นแต่เราก็รับรู้โดยการเรียนรู้ในขณะที่มันเป็นอยู่มันต้องเป็นอย่างนี้มันถึงจะสามารถเกิดการยอมรับที่เป็นการยอมรับแบบในจิตในใจจริงๆได้คือยอมรับจากภายในได้ถ้าถ้าไม่ไม่อย่างนั้นแล้วมันก็ยอมรับเป็นการเพียงแค่แค่อะไร แค่บอกว่ายอมรับยอมรับเถอะอะไรประเภทเนี้ยโปรงซะอะไรประเภทเนี่ยก็ก็บอกแค่ว่าตัวเองปรงปล่อยวางเถอะจริงๆแล้วการปล่อยวางมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรายอมรับแลเรียนรู้ความเข้าใจอารมณ์พวกนี้ถึงที่สุดแล้วมันจะแสดงอาการของการปล่อยเองอัตโนมัติด้วยความรู้ความเข้าใจถ้าปล่อยวางด้วยความไม่ไม่ความไม่ีรู้ไม่เข้าใจก็ปล่อยปล่อยวางด้วยอวิชชาการปล่อยวางด้วยอวิชชาแม้จะถูกวางก็จริงแต่การอาการที่วางนะ มันเป็นบานด้วยความไม่รู้แทรกอยู่เมื่ออวิชชาแทรกอยู่อวิชชาก็ปัจจัยาสังขาราอีกมันก็เป็นปัจจัยก่อให้เกิดสังขารก็เกิดวงจรแห่งความทุพ ท, ที่จะเป็นไปในภายภาคหน้าบางครั้งบุคคลผู้ฝึกขัดปฏิบัติภาวนาที่จิตตกลงไปข้างของสมาถะมากเกินไปแม้จะดับอารมณ์ได้และอารมณ์ไม่ก่อเกิดกิจได้ก็จริงมันไม่เสื่อมในชาตินี้มันไม่ปรากฏในชาตินี้มันก็ปรากฏในชาติหน้าเพราะ สมาธาิมันเสื่อมได้วิปัสสนาก็เสื่อมได้มีอย่างเดียวที่ไม่เสื่อมคือจิตที่เห็นนิพพานแล้วอริยมรรคมรรคจิตที่เดินไปถึงจุดของการละเห็นนิพพานตัวมรรคดับตัวผลดับแต่สิ่งที่จิตรู้เห็นอยู่ไม่ดับการรู้ทําตามความเป็จริงไม่ดับและเป็นเครื่องยืนยัน ทุกดวงจิตดวงใจที่เข้าไปถึงการลักสังโยชน์เบื้องต่ำจะจะต้องมีคุณธรรมรองรับในจิตยืนตัวเลยว่าคนคนนั้นจิตดวงนั้นจะเกิดยานรู้ตามความเป็นจริงในสภาวะธรรมที่ว่ายังกินจิตสมุดได้ยังทำมังสัมปัต์ตัมิโรตธรรมมันติสิ่งใดสิ่งเกิดขึ้นเป็นธรราสิ่งนั้นทั้งหมด ล้วนดับไปเป็นธรรมดาเขาจะเกิดความรู้นี้ทุกดวงจิตดวงใจที่เข้าถึงแล้วไม่ใช่การบังคับให้รู้แต่เป็นการรู้โดยอัจฉริยะใสที่รองรับอยู่ตลอดเวลาแล้วจิตดวงนั้นจะจะไม่ลงลืมสภาวธรรมนั้นจนตลอดชีวิตนั่นคือความไม่เสื่อมของการเข้าถึงผลด้วยอริยมรรคจากการเรียนรู้แต่การเข้าไปดับอารมณ์แม้ดับลงไป ได้เมื่อมีอารมณ์กระทบระดับได้มันก็นมันไม่เกิดในในคราวครั้งนั้นได้ในชาตินั้นตลอดทั้งชาติก็ไม่เกิดก็ได้ด้วยสมรถะที่เขาปฏิบัติอั่างหนาแ น, น่นในจิตแต่จะไม่เกิดความรู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่ำดับไปเป็นธรรมดาจะไม่รู้ความรู้จะเกิดความรู้คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่ำดับไปเป็นธรรมดาได้นั้นจะเกิดจากการเรียนรู้และเข้าใจอารมณ์ที่เกิดมาเองตามธรรมดา ละดับไปเองตามธรรมดามันจะไม่มีการหยิบคันใช่ไหมครับถ้าเราเรียนรูแล้วใช่มันจะไม่มีการหยิบคั้นมันก็เกิดมามาเขาเรียกว่าลักษณะของการปล่อยวางคือปล่อยให้เกิดธรรมาาดาแล้วปล่อยให้ดับตามธรรมดามคนที่ทําสมถธอย่างเดียวจะไม่รู้เข้าใจตรงนี้และคนที่ยังไม่เข้าถึงความเป็นโสดาบันก็จะไม่เข้าใจตรงนี้ ตัวน e. so, ี้คือความสำคัญตัวที่การส่งต่ออารมณ์ไปอีกบีบรวมบีบหนึ่งคือตัวดับแล้วแต่มันยังมีการส่งต่อไปอีกบีบรวมอารมณ์อารมณ์ผ่านเข้ามากระทบปั๊บหากลมรับรู้ดูอยู่สติไม่ไม่กล้าแข็งพอปุบจิตกับอารมณ์จะรวมตัวกันจิตจะรับได้รับการบีบคั้นเมื่อจิตได้รับการบีบคั้นแต่เรายอมแต่เราตั้งสติว่า เรายอมให้จิตได้รับการบีบคั้นเพื่อที่จะรู้ว่าบีบคั้นไปนานสักเท่าไหร่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมไหมหรือเราเข้าไปปรุงแต่งร่วมด้วยหรือเปล่าหากเรารู้ตัวแล้วก็ยับยั้ตัวเองได้ว่าเราไม่เข้าไปร่วมในการปรุงแต่งกับอารมณ์อารมณ์จะบีบจิตอยู่อย่างนั้นอะ่ะบีบจนเกิดการคลายตัวเพราะมันเองเพราะมันมีปฎตายตัวในหลักธรรมชาติหรือว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาแล้วตัวนั้นจะต้อง แปรปวนคงสภาพเดิมไม่ได้แล้วก็สลายทีนี้เราก็จะค่อยเห็นตัวคลายการคลายออกคลายออกคลายออกคลายออกพอเราเห็นการคลายออกจนจิตก็ตามดูการคลายออกแม้คลายบางเบาแค่ไหนก็ตามต้องดูด้วยนะว่าเบาแค่ไหนจางแค่ไหนแล้วมันสิ้นสุดคือดับหายไปจากใจจริงๆด้วยระยะเวลาเท่าไหร่ที่เกิดกับจิตเรา เพราะนัสติจะต้องรู้เรียนรู้ทุกอาการขณะที่กระทบขณะที่เกิดขณะที่บีบคั้นขณะที่อึดอัดขณะที่หงุดหงิดขณะที่อะไรไม่ได้ต่างใจทั้งหมดจะอยู่ในนี่นะจนใช้ความอดทนอดทนกดกั้นแล้วก็เห็นการคลายโดยธรรมชาติทั้งหมดเองพอดับสไลด์ปึ๊บไม่เหลืออยู่เลยในจิตเราสติจะเข้าไปกั้นอารมณ์อื่นไม่ให้เขามาแทรกเพราะมันเห็นการดับแล้วมันดับด้วยความรู้แล้ว สติจะรู้พอสติรู้ปั๊บมันจะกั้นอารมณ์อื่นไม่ให้มาแทะในระหว่างนั้นจิตจะอยู่กับความว่างจะเห็นความว่างขึ้นมาแทะขึ้นมาโดยที่อารมณ์อื่นยังไม่มาเพราะสติเป็นตัวกัน้นแต่ถ้าไม่มีสติเป็นตัวกัน้นมันจะส่งต่อจิตดวงใหม่เราจะไม่เห็นความว่างเพราะฉะนั้นการตามดูตามรู้จนเห็นการจากหายดับสลายหายไปต่อหน้าต่อตา จะเห็นความว่างแล้วสติจะกั้นอารมณ์ไม่ให้มามารับสภาพต่อหรือทะารับต่อก็รับรับรู้ความว่างต่อต่อด้วยสติคุณสมบัติของจิตขนาดนั้นเมื่อเรารับทราบความเออสติรับทราบความว่างแล้วปั๊บสติจะไปรวมอยู่ความว่างแล้วจะเกิดคือปัญญาขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่ในการรอบรู้อารมณ์ที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้ว่าอ๋อมันเกิดขึ้นตามธรรมดาของมันมันก็ดับ ไปตามธรมรมดาเข้ามามาปัญญาจะรอบรู้ในสิ่งนี้แล้วจะตัดสินลงไปในอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ขณะแห่งจิตนี้ว่ามันเกิดมาจากความบ่าแล้วมันกระดับลงไปในความมาาครั้งต่อไปจิตเจออารมณ์อย่างนี้อีกมันก็จะทำแบบเดิมเพราะ ม, มันจะไม่หลงลืมอาการไงมันจะมีสติเข้ามาทำหน้าที่แทรกเป็นคุณสมัติงจิตหรือว่ามีสัมมาธิฐิ มันมีการส่งต่อแต่มันจะไม่เกิดมันจะไ ม, ม, ม่เกิดการขีดคันแล้วใช่ไหมใช่เป็นอยังไง น, นี่เป็นอาการดบบของครูพิจารณ์ถูกเป็นวิธีการที่จะเข้าไปดับทุกที่ครูพิจารณ์ทรงสอนคืออาตมาอธิบายในแง่ของอาตมานะแต่ในแง่อื่นอาตมาไม่รู้ข้อทอี่บายยังไงนี่คือในแง่ของอาตมาครับเป็นอย่างนี้ แล้วทําว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องไปนั่งสมาธิเหรือเราไม่ต้องไปเดินจงกรมเหรอเราไม่ต้องไปสมาทานศีลหรือใช่ไหมต้องไปไหมไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้คำว่าก็ได้นี่คือฮะไม่ต้องเอาแล้วพุทธิย่อบอกว่าจะตัดสรู้ได้ก็ต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่เหรออันนั้นเป็นเครื่องที่ทําให้ แล้วกทำให้ให้มันไม่มีผลมันไม่มีสีใดๆมากระตุ้นสีนี้ตอค่ะมันจะทําให้เกิดขึ้นง่ายขึ้นหรือเปล่าศีลก็คือเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาบีบคันจิตเราไม่ละเมิดพยายางไม่ไม่ร่วงโทษท่าประการที่เกิดขึ้น อ, อเมื่อเราไม่ร่วมโทษท่าประการมันก็เป็นองค์ศีลอยู่ในตัวมันเกิดพรอ จิตตั้งมั่นที่จะดูอารมณ์ก็เป็นสมาธิอยู่ในตัวปัญญาเห็นการเกิดและการดับตามความเป็นจริงผู้ย่อบอกว่าปัญญาอันเห็นการเกิดการดับเป็นปัญญาอันชําแรกกิเลสโหงตัดไว้ชัดเจนเลยนะเป็นคํากํากับไว้ตายตัวเลยว่าปัญญานั้นก็ต้องเห็นการเกิดและการดับจึงจะเป็นปัญญาอันชําแรกกิเลสเพราะฉะนั้นเราจะชําแรกกิเลสจึงทําได้โดยการมีปัญญาเห็นการเกิดและการดับ เห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับครั้งต่อไปเกิดอีกบีบคั้นให้ทุกได้ประมาณครั้งแรกบีบคั้นให้ทุกประมาณ1ชั่วโมงครั้งต่อไปบีบคั้นให้ทุกได้ครึ่งชั่วโมงครั้งต่อไปบีบคั้นให้ทุกได้20่นาทีครั้งต่อไปบีบคั้นให้ทุกได้10นาทีครั้งต่อไปบีบคั้นให้ทุกได้5นาทีครั้งต่อไปบีบคั้นให้ทุกได้1นาทีทุกแป๊บเดียวแล้วก็ดับครั้งต่อไปทุกแป๊บแล้วกระดับก็ว่าครั้งต่ออไปยัังมททนุกะไรเเลยกิดขึ้นมาั้ ครั้งต่อไปสติประกอบกอกอปกอปกอกอพุ่ปัุุดับดับดับดับดับดับดับพอดับดับดับดับก็จะเห็นนิโรธมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้าเห็นส่วนดับมาเข้าตอนแรกๆเห็นส่วนเกิดส่วนตั้งอยู e ่ส่วนดับพอหลังๆมาจะเห็นส่วนดับดับดับดับดับดับดับพอเห็นส่วนดับระดับมันก็จะดับแล้วก็ไปกระเทือนต่อกดไตรลักษณ์ธรรมชาติพอมันไปกระเทือนต่อกดตั้งไตรลักษณ์ธรรมชาติปั๊บพันพานเผย จะเป็นกระแสเชื่อมโยงเข้ามาหาจิตรองรับจิตและจะเกิดย า, นาณนัศนะขึ้นมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมราสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมราด้วยตัวของมันเองจะเข้าใจอย่างนั้นชัดแล้วก็ทุกเพราะเรื่องเรื่องนั้นก็จะไม่เกิดแต่จะมีทุกเพราะเรื่องใหม่ตามสัญญาณที่ยังครอบงาใจจิตก็จะรู้ว่ากิเลสที่ละได้คืออะไรกิเลสที่เหลืออยู่คืออะไรและจะแก้ไขกิเลสที่เหลืออยู่ด้วยวิธีการอย่างไรจะไม่สงสัยจะไม่สงสัยเลย เป็นการอธิบายในแง่ของอาตมานนเนี่แต่พระเจ้าสอนตัดสอนอยังไงอาตมาก็เกิดไม่ทันแต่อาศัยการศึกษาขับสอนพระเจ้าแล้วตนเองเอามาปฏิบัติแล้วปฏิบัติด้วยวิธีการเนี้แล้วเห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ก็นํามาบอกมาสอนอย่างนี้แล้วรู้ชัดด้วยว่ามันละอะไรละไปรู้รู้ชัดด้วยว่าพระนิพพานาเป็นอย่างไรไม่สงสัย จะให้สงสัยขณะจิตหนึ่งว่าพระนิพพานเป็นอย่างไรก็ไม่ได้สงสัยเขาก็บอกว่าเอ้ยอวดนี่ว่าพูดอย่างนี้อวดไหมนะอวดไหมเห็นพระนิพพานอ่ะพูดไปถึงพระนิพพานอะนะตามตามตามทัดเป็นโลกเขาก็มาวัดอ่อวดอ่ะพวกนี้อวดอวดอุตริมนุสธรรมเนี่ยถ้าตามโลกนะอวดอุตริมนุสธรรม ทำไงอุ ต, อตริมนุษยธรรมซึกงีเนี่ยโลเขาบอกว่าต้องสืบคนที่อวดอุตริมนุษยธรรมทําอันยิ่งกว่ามนุษย์จะทําไงถ้าสืบค่ะไม่สืบสืกไม่ได้เขาเขาปรับไม่สืกมัอนอวดอุตริมนุษยธรรมเขาบอกคนปฏิบัติธรรมที่ดีเขาจะไม่อวด ภาษาลิบุตรอธิบายธรรมะถึงนิพพานไหมพูดถึงนิพพานด้วยนะพระโมคคัลลานะก็อธิบายธรรมะจนถึงพระนิพพานไหมพูดถึงนิพพานพระมหากรสปะอธิบายธรรมะก็ต้องพูดถึงพระ น, นิพพานใครอีกอะคือพระอริยสงสาวกในครั้งพุทธการท่านจะพูดถึงพระ น, นิพพานแม้แต่พุทธเจ้าเราก็บอกอธิบายนางพระละมังสุ ข, ขงังใช่ไหมพูดถึงพระ น, นิพพานเป็นเป้าหมายเป็นสิ่ที่เราจะต้องเข้าไปถึง แล้วเมื่อพระนิพพานเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าไปไเข้าไปถึงเนี่ยทําไมเราพูดถึงพระนิพพานไม่ได้ทําไมกลายเป็นอุตลิอุตลิจะก อ, อะไรอุตลิหรืออุตลิเอ า, เอาคำว่าประโยชน์สรอโยอยยักษ์ชอช้างนอนหนูอ่านมาอนปอปลารอเดือสลาสรอโอยยยักษ์ช่อช้าง น, นหนูกัลันอ่านมาอะไร แล้ว<ย>แล้วแล้วสังโยชน์อ่ะไม่ทำไมไม่อ่านว่าสังโยชน์นะคำเฉพาะคำเฉพาะเหรออันนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะเข้าใจยั ง, ยงพูดถึงได้ทำไมถึงพูดถึงได้ไม่ไม่มีคีเลศตัวไหนมาปิดปากไม่ให้พูดเนะ <c oughs> คถามบ ลอบมันก็เป็นอย่างนี้แล้วไปรู้จ่บ้านยังไงเนาะจะพูดถึงนิพพานไม่ได้แล้วสอนสอนไปอะไรศาสนาพูดสอนอะไรพูดถึงได้แค่ชั้นสอบวันเหรอฮะสอนไปนิพพานยังไม่ท่านตีประบังตโปตีติขานิบานังประบังมารติพุทธานิศาสดาเราพาพูดอย่างนี้ยังไม่หล่ะพาสอนกันมาอย่างนี้ให้ให้ไปถึงนิพพานคืออาตมาถูก ถูกกล่าวหามาแล้วนะที่พูดถึงเนี่ยถูกกล่าวหามาแล้วทั้งฝ่ายภาคทั้งฝ่ายคราวาแต่มันไม่พึกพมเพราะอาตมาไม่ได้เป็นผู้มีชื่อเสียงไงก็แข่สอนกันในกลุ่มก็ไปแค่นี้มีอะไรรอบกลุ่มก็มายกแยแย่อยู่นี่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าร่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่า่า่า่าฮ่าฮ่า แต่ก็ย so ังยอมนี ah, ่ยังมันสบายอ่ะมันสบายสบายมันปฏิบัติก็ยังไม่พอใจแต่มันสบายใจมันสบายขึ้นก็ยินดีนี่ยังสบายขึ้นอยู่ทุกน้อยลงอ่านั่นงเลยใช่ไหมก็ยังเห็นการดับไปของทุกที่น้อยลงอยู่แต่ยังยังไม่เข้าใจว่าเปฏิบัติอย่างนี้เมื่อไหร่จะถึงมันไปคิดถึงที่สุดว่ามันไม่มีอะไรอย่างนั้นค่ะอ๋อไม่ต้องไปคิดถึง ไม่ต้องไปคิดถึงที่พานแต่ว่าความอารมณเนี่ยมันมันก็เบ า, านนะโกรธมันก็ยังมีมีสิทําไมต้องมไม่จะไม่มีมีคือเรื่องปกติก็มีอยู่แต่เราเรียนรู้จากความโกรธใช่ไหม เ, เรียนรู้มันได้แต่เราไม่ไปทุกข์เพราะความโกรธแต่ความโปวดมีมากก็มีไปทุกข์เพราะความโกรธเราก็ไม่ทุกข์กับมันเพราะเราก็เรียนรู้มันอยู่เข้าใจมันอยู่มันต้องเกิดอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเราก็ไม่ แล้วอะไรมันดึงมานมันดึ้อมันดื้อนดือมยเฮ้่าไปพูดถึงมันอ่าไม่ต้องพูดที่เกี่ยวกับมันมันยังไม่เต็มรอบอะไรก็ตามถ้ามันเต็มรอบของมันเลยเดี๋ยวแม่พันก็บอกกูไม่อย่ากอยู่แล้วบ้านเนี่ยกูจะไปอยู่บ้านถ้ามันเต็มรอบของมันนะนัอยู่บ้านไม่เป็นสุดน่ะไม่เป็นอะไรก็ต้องห่วงเป็นลำดาราโลภมันไม่ได้ปล่อยให้เราหนีจากมันง่ายๆหรอกไอห่วงไร้ไรห่วงนี่แหละดึงเราไว้ ก็ยังเป็นติดสุกติดแต่ไม่เป็นไรติดไปก่อนสุกอ่ะติดจนมันมันหาที่ติดไม่ได้เนลยเดี๋ยวจะรู้ว่ามันติดไม่ได้สุกอ่ะ <c oughs> ไม่มีอะไรติดได้ไม่สุกไม่สามารถติดได้จะติดยังไงก็ติดไม่ได้สุกอ่ะเชื่อไหมเห้ย <c oughs> yeah. มันติดไม่ได้หรอกสุกมันแค่สเสวยไปคราวนึงแล้วก็หมดไปสเสวยไปคราวนึงแล้วก็หมดไป <c oughs> เรียนรู้ความสุกสิถึนี่ <c oughs> อ๋อมันแค่คราวเดียวหมดไปคราวเดียวหมดไป วันหนึ่งขั้นคือหนึ่งหมดไปมีแต่ความเสื่อมความสิ้นหายใจเข้าครั้งหนึ่งมันมีมันจะสืบต่ออายุเราไปอีกยื ด, ย, ดยาวนานหรือว่ามันจะทําให้เราหมดอายุหายใจเข้าหายใจออกแต่ละครั้งนี่มันทําให้เรามีอายุยืนยาวไปถึงพันปีไหมมันมีแต่หมดไปใช่ไหมสมมุติว่าชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยมีอายุหนึ่งร้อยลมหายใจหายใจเข้าไปเมื่อหนึ่งหลือเ หายใจออกเพื ters, ่อ oh, ด no ึงเหลือ98หายใจอีกเื mm ่อ hmm ึงเหลือ97หายใจออกเพื <S <S ่อดึงเหลือ96หายใจเข้าไปเพด่อด yeah, ึงเหลือ95เพื่อดึงเหลือ94 93 92 91หายใจเข้าหายใจออกก็หมดไปหมดไปหมดไปใช่ไหมใช่ไหมชีวิตหมดไปหมดไปใช่ไหมแล้วหายใจเข้าหายใจออกหมดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมีความสุขอยู่หรือมันกําลังหมดไปอยู่เรื่อยๆอยู่นี่นะ สิ้นไปสิ้นไปสิ้นไปอยู่เรื่อยๆอยู่ดีเนี่ยนะหายใจเข้าไปแต่ละครั้งก็สั้นลงสั้นลงชีวิตสั้นลงอยู่ตลอดลนั่นีองสั้นลงเราบอกว่าโอ้ยกูมีความสุขเฮ้ยหายใจอยู่ก็ยังความสุขอยู่มันสั้นลงเดือีนอีกสักนหน่อยก็ไม่ได้เห็นหน้าลูกหน้าหลานหน้าใครๆต่อใครแล้วทำไมทั้งๆที่ยังห่วงอยู่ไงยังตัดห่วงไม่ได้ตายไปขณะที่ยังห่วงอยูน่นี่เพราะไม่เห็นโพษของความเป็นอยู่ บวมลมหายใจหมดอันที่หนึ่งร้ยที่ไปถึงตอนลมหายใจสุดที่หนึ่งร้อยปั๊บดับลงไปด้วยจิตที่ยังห่วงอยู่ที่นี่เกิดอะไรขึ้นฮะก็ผีบนเวียนอยู่กั<ะ>บรูปกับร้านนั้นแหละส ก, กิทเขาขอบุญอะไรเห็นไหมมีความสุขแล้วเกินใช่ไหมไปล่อยให้วันคืนวันคืนล่วงไปกับความสุขที่ไม่รู้ว่าชีวิตมันเสื่อมเสื่อมไปสิ้นไปอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร อ๋อความสุขนี่เป็นภัยเราไม่ควรประมาทเพื่อเพลินแม้สุขจะเกิดขึ้นก็ตามผลอันนวยจากการประพฤติปฏิบัติตามหลักคํำสอนแล้วเกิดความสุขก็ยังไม่น่าไว้วางใจโน่นติดก็ติดไปสี่ทีนี่ต้องเรียนรู้ขนาดนี้เลยมันเพ่จะทนต่อการที่จะติดกับความสุขหรือไม่ติดอยู่อยู่ที่ปัญญาเท่านั้นความเข้าใจเท่งนั้นมันตามอารมณ์ความสุขนั่นแหละมันตามอารมณ์ความสุขเฉยๆความสุขจริงลอดใจให้อยู่ว่าอ๋อมันมันสุข มันลอใจเท่านั้นเองบาครั้งมัวเลยจังหัะจะเป็นคนขานเสียงเองกลายเป็นคนขานเป็นอะไรก็เป็นแล้วแต่ปฏิบัติด้วยร้องเพลงไปกับปฏิบัติไปดูเสียงตัวเองฟังเสียงตัวเองร้องไปตะโกนร้องมีความสุขใช่ไหมก็ร้องไปมันมีความสุขมาก ตามาก็มองอย่างนั้นเละบวชพรรสารแรกนั่งสมาธิอยู่ในกุฏิเสียงเพลงงานวัดบ้านข้างๆหมู่บ้านนั้นมันดังข้ามเข้ามาอีกวัดหลังจากในบ้านข้ามเข้ามาในวัดเราก็บวชใหม่โอ้โหลบเขาสนุกสนานมีกองรองเพลงเสียงดังดึงดังึงดังไอเรามานั่งพอตกอยู่ในวัดป่า <c oughs> มานั่สมาธิมันไม่ได้เห็นมีความสงบอะไรเล ย, ยเพื่อนเขามีความสุขความสบายก็เรียกว่าเพลิดเพลินสนุกสนาน <c oughs> เขาใช้ชีวิตที่ความสุขไอเรามานั่งอยู่อย่างนี้น <c oughs> ลําบากก็ลาบาก <c oughs> อดอาหารหิวก็หิ ว, หว <c oughs> ทรมานตัวเอง <c oughs> อยู่ไม่ไหวแล้วสึกอี่กว่าเนี่ย <c oughs> มันก็คิดไปทำลองนั้น ใช่ไหมเสียงมันเข้ามาปรุงแต่งจิตก็เคยคนเคยสนุกสนานคนเคยเพลิดเพลิ น, นใช่ไหมเสียงเราก็ชอบกันมาแต่ไหนแต่ไรเพลงเขาร้องให้ฟังอันที่ชอบมันก็ร้องไปกับเขาทั้งที่เราก็เป็นทักอยู่นี่แหละก็ร้องไปตามเพลงที่เคยชอบมาแต่ก่อนมันเข้ามาในหูใครจะไม่ชอบพร ถ, ถูกปรุงแต่งกันมาอย่างนี้ก็ชอบกันหมดแล่วแหละเสียงเพลงที่ตนเองถูกกับ ที่ตัวเองชอบใช่ไหมก็ชอบกันทำไมทั้นนั้นน่ะ mm hmm. ทำไมจะไม่ชอบคับพะพุทธเจ้าจึงพูดถึงรูปเสียงกลิ่นรสนี่ไงหนีไม่พน้นพระพุทเจ้าคือตัวตัวหนึ่งที่ทําให้เราไม่เข้าใจชีวิตเพราะมันกลบมันปบความทุกข์ได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราว mm hmm. yeah. ทีนี้ขณะที่จิตบอกว่าโอ้ถ้าเป็นอย่างงี้นี่สึกออกไปสนุกสนานดีกว่า มันดีกว่าไงเข้าใจตอนนั้นมันดีกว่าขณะที่คิดว่าจะสึกออกไปสนุกสนานไปมีความสุขกับเพื่อนๆที่เคยสนุกสนานด้วยการตีกองร้องเพลงมันมีความรู้อันหนึ่งแทรกเข้ามาขณะที่คิดอยู่นั้นอะ่ะมันแทรกเข้ามาได้อย่างไงความรู้ในจิตเอ๊ะทําเขามีความสุขจริงคนที่มีความสุขจริงไม่ได้มาแห่ปากร้องเพลงอย่างนี้อยู่หนาะมันแทรกอันหนึ่งขึ้นมาเป็นความรู้ในจิต คนที่มาแห่ปากร้องเพลงอย่างนี้มันไม่ได้มีความสุขล้องไอ้พวกตะโกนเสียงร้องโออาโอโอาเนี่ยมันมีความทุกข์แต่มันตะโกนร้องออกมาเป็นเสียงเพลงทํานองปลอบใจตัวเองให้ตัวเองติดอยู่หลมอยู่เข้าใจว่าเป็นสุขเท่านั้นเองเนี่ยเราก็เริ่มอุทานขึ้นมาเออวะใช่คนมีความสุขจริงๆมันจะไปแห่ปากร้องเพลงทาไม ถ้ามันสุขกริ้ๆอยู่เฉยมันก็มีความสุขมันจะไปฟังดนตรีทําไมถ้ามันมีความสุขอยู่เฉยมันก็ต้องมีความสุขคนที่ต้องไปตีกองร้องเพลงมันไม่ใช่คนที่มีความสุขมันอาศัยเสียงเพลงมากล่อมใจมันทําไมถึงมากล่อมใจเพราะมันมีความทุกข์อยู่ในใจมันเลยกล่อมใจได้คนก็เลยหลวงเข้าใจว่ายังมีความสุขอยู่ในโลกนี้ด้วยเสียงพวกนี้จิตก็เลยถูกปรุงแต่ง จนลึกลงไปเป็นขันท่สันดานติดอยู่กับรูปเสียงกินรสโหดพะพะและอารมณ์ต่างๆนานาครอบนำอยู่ถ้าจะบอกว่ามารก็คือตัวนี้เนี่ยเนื้อเสียงบางครั้งก็จะต้องไปอยู่ในป่าป่าเต็มหมดเลยไม่เอาอะไรสักอย่างอันนั้นก็สร้างภบในจิต จะไปอยู่ในป่านั้สร้างพบในจิตไปแล้วการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ปฏิบัติในป่าปฏิบัติตอนตอนที่เป็นอยู่นี่แหละเพราะอะไรพราะเรานั่งอยู่นี่ใช่ไหมหรือนั่งอยู่ลําปางตอนนี้ตอนนี้นั่งอยู่นี่ใช่ไหมไม่ได้นั่งอยู่ลําปางใช่ไหมตอนที่นั่งอยู่ลําปางดับไปหมดแล้วใช่ไหมชีวิตตอนที่อยู่ลําปางดับไปหมดแล้วนั่งอยู่นี่แล้วนะกําลังฟังอัตมาอยู่ใช่ไหม ไม่ได้มีอดีตแล้วถูกต้องไหมตอนนี้ไม่ได้มีอนาคตคือไม่ได้คิดที่จะไปไหนแล้วตอนนี้ตอนนี้นั่งอยู่นี่ใช่ไหมแล้วเห็นตัวเองนั่งอยู่นี่หรือเปล่าเห็นอยู่นะกำลังคุยกับอาตมาอยู่นะไม่มีอดีตนะไม่มีอนาคตแล้วตอนนี้มันก็มีอยู่แค่นี้เข้าใจไหมชีวิตของเราเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้แค่ขนานี้กาลังหายใจเข้าหายใจออกและได้ยินเสียงอาตมากาลังคุยกันอยู่นี่ อันที่ผ่านมานั้นไม่ใช่ชีวิตมันดับไปหมดแล้วอันที่จะถือนันก็ไม่มีเพราะแม่พันจะไปมีตัวตนอยู่ข้างหน้ารอที่จะไปเป็นอะไรอยู่ข้างหน้าได้ไหมล่ะใช่เราอาจจะคิดว่าไปอยู่ปา่าแล้วค่อยไปปฏิบัติแล้วถ้าไม่มีโอกาสได้ไปอยู่ป่าน่ะตายก่อนล่ะ <Okay. S 1> เป็นพบในจิตอีกแค่เน่เ <Yeah. S 1> ขายังเพราะฉะนั้นปฏิบัติอีกตอนนี้คือรู้ตัวเองอยู่ขนะนี้ <Yeah. S 1> นั่งก็รู้ว่านั่ง เหรอเพาะยังยังใช่ในทางนี้ก็รู้ตัวตลอดเวลารู้ตัวเหมือนกันแต่มันจะตามรู้ตัวแต่ยังไม่รู้สึกตัวค่ะรู้ตัวเฮ้รู้สึกตัวนี่รู้ยากแต่รู้ตัวใครในก็รู้ผีบ้ามันก็ยังรู้เลยว่ามันทําอะไรไปถามผีบ้าเนมันรู้ตัวมันทําอะไรเนี่ยมันบอกมันรู้ถ้าไม่รู้จะทําได้ยังไงอีกเนาะมันไม่ถือปฏิเวตใช่ไหมคะอ่า เข้าใจยังนี่เนข้าใจค่ะเออปฏิบัติอยู่ตอนนี้แหละไม่ต้องไปรอว่าต้องไปอยู่ปาแต่ตอนนี้แหละปฏิบัติตอนนี้แหละและขาะนี้ก็คือปฏิบัติอยู่ตอนนี้แหละและมันก็ละอยู่แล้วเข้าใจ ย, ายังมันละอยู่แล้วไงก็ละมาจากตั้งแต่นู่นแล้วนะ่ะขึ้นรถมาจากลําปางละไปหมดแล้วนะั่นละละมาผ่านมาพะเยาแล้วก็ละมาแล้วเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาป่านนี้ละมาหมดแล้วยังไม่เข้าใจว่าตัวเองละอยู่ตลอดเวลาไอ้ความที่ไม่เข้าใจว่ามันละอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือความหลงผิดคืออวิชชา เลยไปตั้งใจว่าไปอยู่ป่าถึงจะละเนี่ยคือตัวหลอกจิตอีกทีเนี่ยจิตไม่ทันทมีจิตดูสุดท้ายก่อนนะจะไปอยู่ป่าใช่ไปอยู่ป่าเนี่ยนอนเพราะตั้งค่าไว้ตรงนั้นมันคือการสร้างภพไว้เพื่อที่จะไปเป็นก็ไม่ต้องคิดแลนะ้วจะไปคิดทําไมล่ะก็อยู่ตรงนี้ไปคิดจะอยู่ป่าทําไมก็ <c oughs> ปฏิบัติเนี่ยรู้รู้นั่งก็รู้ว่านั่งจะแม่ทุกขณะของชีวิตบันดับ นั่งอยู่ชีวิตเราก็นั่งลุกขึ้นชีวิตที่อยู่ในท่านั่งอิริยาบถนั่งก็ดับเหลือชีวิตที่อยู่ขณะที่เดินที่ยืนก้าวเดินไปชีวิตที่ขณะที่ยืนดับเหลือแต่ชีวิตที่กำลังก้าวเดินแล้วเมื่อก้าวเดินไปแล้วไปนอนชีวิตในขณะที่กำลังเดินไปนั้นก็ดับทุกขณะก็เหลือแต่ชีวิตที่กาลังนอน ตื่นขึ้นลุกขึ้นชีวิตที่นอนอยู่นั้นก็ดับเหลือแต่ตัวชีวิตที่ลุกขึ้นมาก้าวเดิอนออกไปก็ชีวิตที่ลุกขึ้นมานั่งอยู่นั้นก็ดับเหลือแต่ตัวที่ก้าวเดิอนออกไปมันจะไปมีอดีตไปมีอนาคตไม่ได้มันมีแต่ขนาดนั้นขนาดนี้เท่านั้นเข้าใจแล้วเป็หลงไปหลมอยู่กับว่าจะต้องค่อยไปละมันละอยู่ตลอดเวลา มันดับอยู่ตลอดเวลากิเลสที่เกิดตอนตอนอยู่ลําฟางก็ดับไปหมดแล้วกิเลสที่เกิดตอนที่นั่งรถมาระหว่างทางหุยอะไรกันไม่รู้ในรถอะ่ะก็ดับไปหมดแล้วยังไงล่ะกิเลสตอนที่วิ่งรถวิ่งก็ามาอยู่ในเชียงรายก็ดับไปหมดแล้วตอนมาอยู่นี่ก็ดับไปหมดแล้วตอนที่จะมานั่งอยู่นี่มันก็ดับดับไปหมดแล้วกิเลสที่หลงผิดสร้างอดีตสร้างอน า, าคตเนี่ย ดับให้หมดในเวลานี้เข้าใจแต่แต่มันถ้าความคิดเกิดขึ้นแล้วมันก็รู้ไงว่านี่กําลังคิดจิตกําลังคิดความคิดกําลังเกิดขึ้นกับจิตนี่คือความคิดนี่คือสิ่งที่คิดความคิดคือความคิดความจริงคือเราเล่นอยู่นี่อันนั้นคือความคิดนั่นคือสังขารขันนี่เขาเรียกว่าสังขารขันสังขารขันต้องคิดไม่คิดไม่ได้มันต้องคิดเมื่อสังขารต้องขันต้องคิด ก็ถูกแล้วที่มันต yes. ้องคิดมันอยากคิดก็ให้มันคิดแต่เรารู้ว่านี่คือความคิดมันเป็นความคิดของจิตนี่คือสิ่งที่จิตคิดมันจะต้องคิดเพราะมันคิดด้วยความคุ้นเคยที่มันคิดมาแต่ในแต่ไรและหน้าที่ของมันต้องคิดถ้ามันไม่คิดก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนนะนี่ไม่คิดคนมันต้องคิดอยู่เว้ยแต่เรารู้จักความคิดความคิดไม่ได้เป็นปัญหากับชีวิตแต่การที่ไม่รู้จักความคิดตามความเป็นจริงคือปัญหาของชีวิตเข้าใจยังเออเข้าใจแค่ไหน เข้าใจมากแล้วมันเข้าใจแต่แต่มันยังไม่ทันกับความคิดน่ะนะคะแต่รู้ตัวว่าเออผมคิดนอกจากเอาที่มันหนักๆแล้วมันเกิดขึ้นอ๋อต้องรอตอนหนักๆคัะแต่ถ้าตอนเบาๆอยู่ๆความคิดตอนความคิดตอนที่อยู่ลําปางดับไปหรือยังดับไปหรือยังตอนที่นั่งอยู่ที่ลําปางน่ะดับไปหรือยังความคิดที่มาตามระหว่างทางนี่ดับไปหมดหรือยังมันดับไปแล้ว ใช่มันดับไปแล้วความคิดเมื่อตอนค่าก่อนที่จะมาที่นี่ดับไปหมดหรือยังดับไปแล้วและความคิดในขณะนี้กําลังเกิดขึ้นเนี่ยคือคิดอะไรอยู่ก็ฟังฟังอยู่และความคิดขณะที่ห้านาทีที่แล้วดับไปหมดหรือยังอ๋อค่ะเออดับแล้วนี่มันก็ดับมันเป็นของขัเกิดและดับเกิดและดับเกิดและดับอย่าพันจะไปมีปัญหาอะไรกับความคิดไปมีปัญหากับความคิดนั่นแหละคือไม่ยอมรู้จักความคิดตามความเป็นจริงเนี่ยคือสิ่งที่ปฏิบัติที มันเกิดขึ้นก็ให้เกิดขึ้นขนาดนี้มันก็ปล่อยให้มันดับลงไปขนาดนี้จะเกิดขึ้นใหม่ก็เกิดขึ้นมาสิก็ปล่อยให้มันดับลงไปขนาดนั้นจะเกิดขนาดไหนก็ให้ดับขนาดนั้นคือให้มันดับเองของมันภาวะของมันและเราเรียนรู้การดับอย่างเงี้ยคือยอนไปเรียนรู้จักอดีตกิเลสที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับยายพันธุ์ตอนที่คลอดออกมานี่ยน่ะมันก็ดับไปหมดแล้วกิเลสที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับยายพันธุ์ที่กําลังโตน่ะวิ่งได้น่ะก็ดับไปหมดแล้วหรือมันยังอยู่เ่ะ หาเข้าใจว่ายังอยู่มันก็อยู่จริงก็เป็นการสร้างกิเลสจากสิ่งที่ดับไปแล้วไม่มีอยู่เพราะความหลงผิดคืออวิชชาแต่เมื่อรู้ชัดว่าทุกอย่างดับแม้แต่กิเลสก็ตกอยู่ภายใต้การดับชีวิตก็ดับความคิดก็ดับเวทนาก็ดับทุกอย่างดับไปหมดแต่ละขณะขณะขณะขณะมีแต่ความดับดับดับดับดับยายพันจะเอาความคิดตัวไหนมาเป็นสาระเขียนสารล่ะมันคิดบนเรื่องของมันสิก็ถูกนี่เรายังรู้อยู่ว่ามันคิดไปเรื่อย เมื่อเรารู้ว่ามันคิดไปเรื่อยแล้วก็เอาสาระแกนสารกับมันไม่ได้แล้วแม่ละแม่พันจะไปตั้งค่าของความคิดไว้อันนั้นอันนี้ทําไมมันก็ไปตั้งค่ากับความคิดอะไใดก็คิดไปสินี่คือความคิดเข้าใ จ, อใจเออความคิดไปไมันอยากคิ ด, ดแต่แต่แ ต, แตกแ่ก็เป็นเรื่องของมันไปแล้วมันเป็นเรื่องของใครของมันไปแล้วเนี่ยถูกแล้วเข้าใจถูกนั่นแหละก็เพราะเราไม่ยอมปล่อยให้มันเป็นเรื่องของมันอยู่แล้วอนะ มันเลยเกิดปัญหาว่ามันคิดทําไมเราคิดทําไมเนี่ยตรงนี้มันก็ก็เกิดขึ้นอ่เข้าใจแล้วที่เอาคนต้องเข้าใจอย่างนี้แหละมันยังมีความไม่ใส่ใจนี่ค่ะมันก็เลยคิดว่าตัวเองมันมีความมีความสุขเนี้ยเข้าใจแต่ไม่เข้าใจใช่ไหมก็ธรรมดาจะให้เข้าใจกระจายแจ้งเลยทีเดียวมันก็มันก็เป็นไปได้ยาก มันก็ต้องค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆแต่ยัง้ม่เริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมเพราแล้วถ้าเข้าใจอยังแต่ว่าการปุงแต่งจิตที่เขารอไว้แล้วคือเขาอยากจะมีบ้านและอยากจะไปอยู่เชียงใหม่มันเป็นความคิดที่เขาปรุงไว้ถ้าใช่ถูกถูกคื อ, คอมันไม่ใช่ว่าคิดไม่ได้นะ ค, คือก็คือคิดได้แต่ว่าถ้าเราไม่รู้จักว่านั่นคือสิ่งที่คิดมันก็จะสร้างภพ<อ>ให้จิต สร้างภพให้กับจิตเมื่อมีการสร้างภพให้กับจิตตายไปปั๊บจะมีวิมานลอยมันก็จะเกิดการสลัดการยึดมันไว้ความคิดก็มีเหมือนเดิมแต่ไม่มีผู้ยึดเพราะมันรู้อยู่นะมันเป็นความอยากล้วนใช่มันก็ต้องมีมันจะเห็นความอยากในเมื่อเราเห็นมากเข้าความคิดมาพร้อมกับความอยากความคิดมาพร้อมกับความอยากก็ทั้งเห็นทั้งความคิดและความอยากความคิดไม่ต้องไปดับมันแต่ความอยากเมื่อผูกเห็นแล้วต้องเห็นการดับของความอยาก ที่แทรกเข้ามาในเวลานั้นเพราะความอยากมันจะคอยผลักดันกิจให้เราไปกระทําให้เป็นไปดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าอยากจะให้เป็นยังไงก็ตามมันคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมันก็ยังไม่เป็นอยู่ดีอยากก็ได้แค่การบีบตัวเองให้เล่าร้อนเฉยจากความอยากที่เกิดนี่คือไม่รู้จักอนาคตนะคือไม่รู้จักสิ่งที่จะยังไม่เกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วว่าอ๋อมันเป็น เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นมันเป็นแค่ความคิดเป็นเรื่องที่คิดมางทีเขาพานิดนึงบอกเขาค่ะทีเดียวความอยากตรงนั้น่ะคือยังไม่ได้สงหวังคือเขาก็คิดว่าเออถ้าเขาทําให้เราปุ๊บเราก็หมดห่วงเขาเก็จะได้สบายเขาก็อาจจะไม่เรามันจะมีห่วงไหมมันจะลูกคี่อย่างนั้นค่ะแต่แต่เขาไม่ทำบางทีเอะเกิดเราเขาไม่ทำให้แล้วสักทีเกิดเราไปซะก่อนเนี่ยเขาก็จะ เป็นของความคิดของเขาอีกโอของนักโทษเอีโอ้บนชั้นเลยได้ไหมหลายชั้นเลยน้หลายชั้นมากมันก็ปุงเป็นบังคับไม่ฝึกจิตก็จะเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตกอยู่ในข่ายแห่งความเห็นผิดติดบังคับก็หยุดไม่ใจว่าเออไมไม่มรู้อย่าไปหยุดมันรู้มันรู้ตามความเป็นจริงแล้วมันจะหยุดเพราะสิ่งที่ที่คิดนั้น ไม่ได้เกิดผลทางด้านการปฏิบัติเลยมีแต่จะโยงใหญ่จิตของเราให้ยุ่งเหยิงอ๋อมันจะะอาสวะอารมณ์แต่ละ่ใช่ถูกต้อง <c oughs> มันจะละอาสวะอันนี้เรื่องเป็นอาสวะ <c oughs> คือมันเป็นสิ่งที่หมักดองไว้ให้เราเป็นอย่างนี้ติดข้องอยู่กับมันอย่างนั้น <c oughs> ทีนี้เราก็ไปเรียนรู้อย่างมากเนี่ยชีวิตเรามีอยู่ตรงนี้ตอนนี้ขณะนี้ และขนาดที่ที่เป็นอยู่นี้ก็กำลังจะล่วงไปล่วงไปล่วงไปล้งไ ป, ล ง, ไปลงไปขนาดต่อไปรือสิ่งนี้ยังไม่เกิดมันจะเกิดอะไรขึ้นเราเราไม่ได้สามารถที่จะคำนวณรู้ได้ก็ให้เป็นไปตามภาวะในปัจจุบันนี้ใช่ไหมล่ะเรียนรู้ตามที่อามานแนะนาเนี่ยอ๋อนั่งอยู่นี่ชีวิตที่นั่งอยู่ก็เป็นชีวิตขนาดที่นั่งลุกขึ้นไปจากนี้ชีวิตที่นั่งก็ดับไปเหลือแต่ชีวิตที่ลุกขึ้นยืน ชีวิตที่ลุกขึ้นยืนเก้าเดินขณะที่ยืนแหงชีวิตนั้นก็ดับเหลือแต่ชีวิตที่กําลังก้าวเดินอยู่ไปนอนชีวิตที่กําลังก้าวเดินอยู่ก็ดับกําหนดหมายอย่างนี้ยให้ให้รู้การดับการว่วงไปสิ้นไปเรียกว่ารู้ความเสื่อมความสิน้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมความสิน้นไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนคือเรียนรู้ความเสื่อมความสิ้นนี้เป็นประโยชน์เรา การที่ไปคิดเรื่องราวข้างหน้าไม่ใช่ประโยชน์ของเราเรียนรู้ความเสื่อมความสิ้นในขณะนี้ว่ามันเสื่อมมันสิ้นเธอจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ห, หรือแม้แต่ขณะนั่งอยู่ในขณะ น, นี้หายใจเข้าหายใจออกก็คือความเสื่อมความสิ้นของชีวิตที่มันเสื่อมมันสิ้นอยู่ให้เห็นความเสื่อมความสิ้นนี้คือสารัะประโยชน์ที่เราจะได้ถ้าเราเห็นว่าหายใจขึ้นนึงก็ชีวิตก็หมดไปหายใจออกขืดนในึงก็ สิ้นไปหายใเพื่อฮืดหนึ่งก็หมดไปใ ห, ห้ออกฮืดหนึ่งก็สิ้นไปหมดไปสิ้นไปหมดไปสิ้นไปหมดไปสิ้นไปหมดไปสิ้นไปเห็นแต่ความหมดไปสิ้นไปของชีวิตมันจะไปคิดอะไรกับอนาคตมันก็คือของหมดไปสิ้นไปเหมือนเดิกเหมือนกันใช่ไหมล่ะเนี่ยฝึกอย่างเงี้ยให้มันเกิดยานยานความรู้ตามความเป็นจริงสุดท้าย มันจะไม่สนใจอนาคตไม่สนใจอดีตจะสนใจแต่ฉเฉพาะขณะนี้ขณะปัจจุบันเนี่ยรู้ความเสื่อมความสิ้นเดี๋ยวมันจะไปกระเทือนไตลักในกฎทางธรรมชาติอีกเมื่อไปกระเทือนไตลักในกฎธรรมชาติปั๊บเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละมันจะตัดอาสวะปานิพานปรากฏเนี่ยพูดถึงปานิพานแล้วก็ว่าพูดไปไม่ได้หมปานิพานนะือไหมมันต้องพูดถึงนะมันพูดไปได้เป็นผลที่จะต้องเข้าถึง เขาบอกพูดได้แต่จะอวดตนก็อยากจะรู้ว่ลักษณะอวดมั น, ม, นมันไม่มีขีดแค่ไหนคำว่าอวดอันนี้พูดในเชิงแสดงธรรมผู้เยาว์บอกว่าการพูดถึงมาผลนิพพานเพื่อแสดงธรรมไม่ต้องอาบัติไม่มีโทษแต่ประการใดแต่หากมุ่งลาบมุ่งสักการะมุ่งการได้มามุ่งชื่อเสียงมุ่งอะไรพวกนั้น่ะอันเนี้ต้องอีนี้นต้องอาบัตมีโทษ แต่ถ้าในไม่ได้มุ่งสิ่งเหล่านั้นไม่มีโทษอันนี้มุ่งประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้และพระพุทธเจ้าบอกว่าอาจจะไม่ใช่พระพุทธเจ้านะขออภัยบางทียกคําของพระพุทธเจ้าจนชิดใน ค, ำคำนําคํานี้อัศวการถาจารย์ที่รู้ความของพุทธพจน์อธิบายไว้ว่าหากคือคืออัารถาจารย์ก็ยกคําของพระพุทธเจ้ามามาอธิบายนะว่าพระองค์ทรง พระ อ, องค์ทรงกล่าวว่าหากแสดงธรรมเพื่อให้คนเห็นว่าการปฏิบัติธรรมยังมีผลอยู่ยังเข้าสามารถเข้าถึงผลได้อยู่เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับผู้ปฏิบัติสามารถพูดถึงมากผลนีพผ่านได้ที่เกิดกับตนนะมีอยู่ในพระไตรปิฎกนี่แหละแต่จำไม่ได้ว่าอยู่ข้อไหนหน้าไหนจำไม่ได้ แค่นี้ก็รู้สึกมั้เห็นแล้วนะไม่เห็นนี่ฟางแต่ว่าเห็นผลของการรู้เรียนรู้ฟังทำอยู่เออนั่นแหละแม่เนี่ยนี่คือประโยชน์ของการฟังทำวันนี้ได้บูชาพู้ได้เจ้าแล้วปฏิบัติบูชาอสาธทูบกับแม่สาวทูกับแม่พัดอยู่เป็นปกติเนี่ยค่ะไม่ได้ไปเครียใช่นึ่อยจากจะไปทำอะไรก็ตามสะกดนี้จะไปตรงไหนก็รื้อคัไม่ไป แต่ยังเครียดอยู่ค่ะก็ให้เครียดไปอยากจะเครียดก็เครียดไปไม่ได้ครียังยังยังติเรื่องที่ว่าเพื่อนฝูงสสวเขามีชวนทํางุ่นกินทางนี่กินแล้วก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นการไปไปยุ่งไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้เป็นงนั้นแล้วก็ไปตามเลยอ๋อบางใจได้แล้วค่ะเอออ๋ะก็ได้เขาไปร่วมเขาได้ไปร่วมกับเขาไป แต่ก่อนนี้ยังเครียดอยู่ตอนนี้ไม่เครียดแล้วตอนแรกไม่อยากยืมเพราะมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ไประโยชน์ในทางธรรมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่บางทีก็ไปรับรู้อะไรแล้วก็จะเก็ดออกมาคิดทําให้เรากีดกันขุดมัวไปเกิดเพ่งเหมือนเหมืเขะแต่เดีนี้ก็ฟังตามแต่ว่าจะมีสติอยู่ตลอดเวลาเขาพูดอะไรมาทางทางที่มันจะเป็นโทษ ข็มีสติคอยไม่ไม่ไม่ร่วม <ừ. S 1> แต่ก็จะจะไปทางเปื่อเราว่าไอ้คามีสติถ้าร่วมก็แบบมันก็เป็นอกุศลออืก็รู้อยู่ดีเ<อ>ขารู้ตัวอยู่ดิก็ไม่เป็นไรเขา ร, <อ>รู้ตัวอยู่ถ้าเราดีมันก็สบายใจสบายใจมันก็เป็ น, นอกุศลก็ก็จะเกืนอนตัวเองตรงนี้ <ừ. S 1> ถ้าเราไม่ได้ร่วม <ừ. S 1> พูดร่วมค้าอะไรตรงนี้ เราก็สบายใจแล้วก็ไม่มีใครที่เขาจะเราก็ไม่ละแวงใครก็ตกเ น, นี่ยนะ่เดีขเขาเรียกว่าปรับตัวตามสภาพการได้ดีอยู่แต่จะไม่ลองอยู่อย่างาาต่อมาจะไปร่วมกับเวลาเขาทําบุญที่วัดเขาจะต้องมีพระป่านีก็เห็นนีจะไม่ไปร่วมจะไม่ไปไรอะต่มาก็ยังไม่ไปร่วม <c oughs> กับคณะสงฆ์ส่วนใหญ่เลยจะไม่ไปทําบุญตรงนั้เราก็ถามมาทําไมไม่ไปร่วมกับคณะสงฆ์ส่วนใหญ่บ้าง ไปงานอะไรหล่ะจะให้ไปงานอะไรก็ถามถามภาคคืนถามโยมที่ขอมนิมนต์ฝึกงานฉลองสมณศัก์ทสังฆาธิการงานกระถินงานพระปรางานอะไรใหญ่ๆองสงที่เขาจัดกันไปร่วมกันบางสิ่งอาตมานิสัยไม่ดีไงก็เลยพูดย้อนกลับคืนไปอันนั้นไม่ใช่งานใหญ่ของภาคงานใหญ่ของภาคคืองานฆ่าขี้เลรไม่ติดพวกเรากนนั้นไม่ใช่งานใหญ่งานที่ผมนะ มันก็เลยเกิดการขัดแย้งเกิดการขัดแย้งดันสังคมส่วนใหญ่อย่ากเขาหลังบ้านเ็าจะมีสารสกปอยใหญ่ๆพ่ก็จะมีระเคมีที่เปเลี้ยงผีฟ้อนอะไรเงี้ย่าเจ้าพ่อหลักเมืองหลักบ้านเขาว่ากันไปใช่ไหมก็ สอดตามภาษาคนที่เขายึดถือก็ให้เขาทาไปเราไม่ไปสัอย่างก็เลยไม่รหวมอืยังเป็นไรเราก็รู้แล้วทำไม่ต้องไปเพ่งโทษอะไรเขาเขาเป็นเขาอย่างนั้นก็เลยทำใจสบายว่าเขาไปเขปล่อยเขาแต่เราก็จะบอกเขาว่าเขาควรรู้ว่าต้องต้องดีใจว่าเราได้เราพ้นดีแล้วเราพ้นแล้วจากความหลมผิดอย่างนั้นมีหลักคําสอนยืนยันอยู่ใช่ไหมหล่ะ หลักคำสอนยืนยันให้ให้เรามีเหตุผลในตนเองในสิ่งที่เราเป็นอยู่ว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราเป็นอยู่นี้อยู่ในหลักเหตุผลของหลักคาสอนอยู่การอธิบายอย่างนี้ให้ตัวเองฟังจิตมันจะมันจะไม่คัดค้านกับตัวเองไม่ขัดแย้งกับตัวเองขัดแย้งกับคนอื่นยังไม่เท่าไหร่แต่ขัดแย้งกับตัวเองเนี่ยอันตรายเพราะมันจะคอยตําหนิตัวเอง <c oughs> หรือว่าตัวเองอย่างนีใช้ไม่ได้ เพราะนั้นก็พอยกข้อสู่หลักคำสอนอ๋อมีหลักคำสอนรองรับเหตุผลอยู่เนนะี่ยเราจึงไม่ไปเนี่ยอธิบาย้กับจิตเด้นรับทราบด้วยอย่างว่าทางวัดบ้ า, น, บา น, นก็ไม่ไปวัดเขาก็จะมีการการเก็บเงินช่วยกันไปเลี้ยงอะไรเลี้ยงอาหารที่วัดอะมันต้องอยู่ในวัดถึงจะได้ก็เลย ก็ไม่ไปเหมือนการไม่ร่วมแต่ถ้าเราร่วมเลนี้ได้ไหะการ่วมฟ้าอย่างนี้มันไม่เป็นไรครัอนุเคราะห์สงเคราะห์กันไปตามฐานของสังคมเราต้องการก็ให้เขาไปแต่เขาไม่ได้เอาไปให้พระหรือออกให้พระเพราะันแย่งไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเราให้ก็คือให้ไปจะไปให้พระไปให้พระไม่มีมีมีเกี่ยวข้องมีส่วนนั้นเราไม่เกี่ยวเราเกี่ยวเฉพาะเราให้ไปตาม บีบีแค่นั้นแหละน้องก็ไม่อยากไปเพราะว่าอยาได้ติดสุดตรงนั้นเองสนุกสนานจะไปทิ้งก็มันไม่ติดหรอกเกิดประมาณนึงมันไม่ติดหรอกสุกติดไม่ได้หรอกอยากจะติดแค่ไหนมันก็ไม่ติดหรอกเราหลงแค่นันนาวติดเราไปหลงเอาเองว่าติดเราพอใจเอาเองว่าติดแท้ที่จริงมันติดไม่ได้เนี่ย ติดได้ที่ไหนเราสุกอ่ะใช่ไหมมันติดไม่ได้ถ้ามันติดได้โว้ปานี้ไม่ต้องไปกินข้าวหรอกเพียงอูสุกอยู่นั่นแหละนั่งกระสุกอยู่นั่นแหละนอนกระสุกกินข้าวมไม่กินถ้า ต, ติดได้น ะ, อ, ะอาจจะใช่คำพูดคิดนะอาจจะใช่คำพูดผิดว่าติดสุกเลยเปลามันจะไปสนุกกับเขาไงติดสนุกมไม่ใช่ใ <น S 1> ติดสุก<อ>ใช่ไหม ติดสนุกเผิดเพินละถ้าติดสนุกมันก็ไม่ติดเนี่ยมันสนุกแป๊บเดียวใช่ไหมล่ะติดได้ที่ไหนถ้าติดสนุกจริงไปร้องลํา ท, ทําเพลงเต้นลํากับเขากลับมาถึงบ้านก็ต้องมาเต้นต่ อ, อก็ต้องหยุดไม่ได้นะมันสนุกถ้าติดจริงมาถึงบ้านก็ต้องหยุดไม่ได้ไงเปิดรถตีขึ้นก็เอาต่อทีนี่มาถึงสว่างสวางก็ ก, ก็หยุดไม่ได้ถ้ามันสนุกติดสนุกจริง ก็ไม่ติดไงมันไม่มีอะไรติดกันได้หรอกในโลกเนี่ยเราหลงเข้าใจว่าติดทําได้แต่ทำได้อยู่ใช่ไหมคะแต่ไม่เคลมันไม่ติดมันไม่ติดอยู่แล้วเข้าใจโดยธรรมชาติโดยหลักสัจจะว่ามันไม่ติดอยู่แล้วมันแค่ชั่วคราวเมื่อเราเรียนรู้ว่ามันแค่ชั่วคราวเราก็จะเริ่มมีปัญญาต่อสิ่งที่เราเป็นอยู่ว่าก็แค่ชั่วคราวแค่นั้นเอ ง, ม, งอ ม, มันก็เข้ากับหลักธรรมชาติที่เป็นตามปกติ แต่คนไม่ได้เรียนรู้มาทาความเข้าใจเรื่องนี้เองมันเลยเกิดาการติดเลยมีโวหารเขาว่ตาติดหลงยึดแล้วก็งมงายไปตามบิดีของเขานะ เ, เห็นไหมมันเลยออกมาไม่ได้มันติดไม่ได้หรอมันมีอะไรติดหรอกจริง ค, คนที่ติดก็ไม่ติดแต่เขาไม่ได้เรียนรู้ใช่ ไอคนอึเครื่องเนี่ยธรรมาชอบแบบนี้ไอนคนที่กําลังติดอยู่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ติดแต่เขาไปเรียนรู้ว่าเขาไม่ได้ติดมันเลยเกิดเป็นความหลงงมงายแล้วเข้าใช้ว่าติดจริงๆไม่ได้ติดติดที่ไหนเนี่ยหลักคำเป็นนี้เลยครูอยอดบอกให้รู้หลักคำนี้รู้ธรรมชาติตันนี้มันก็ไม่มีอะไรติดไม่มีอะไรติดอะไรไม่มีอะไรข้องอยู่กับอะไรที่มันคล้องอยู่เขาไม่รู้อวิชา พาให้เราเข้ามังเรู้แล้วอะไรอะติดที่ไหนมีอะไรติดอ๋อเอายันยึดติดอยู่ในกายอยู่นี่ก็เรียนรู้ความดับของมันหนิติดได้ที่ไหนเราถ้าติดอยู่กับกายได้เราก็ต้องเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาดิไอความเป็นเด็กก็ต้องไม่ดับถ้ายังติดกับมันได้อันนี้มันแก่เต็มที่แล้วนะนี่แล้วจะยังจะเดินหน้าแก่ต่อไปอีกจนถึงตายข้างหน้านี่ มันติดใจที่ไหนเราก็นั่นแหะมันติดใจที่ไหนเราไกลจิตก็ยังติดไม่ได้อีกคิดขณะหนึ่งก็ดับไปอีกแล้วติดได้ที่ไหนละจิตใช่ไหมล่ะมันก็แค่นี้ไม่มีอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาความสลุกสลือนเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาคนไม่ได้มามองเห็นความเป็นธรรมดาของการเกิดการดับจึงไม่รู้จากการสลัดออกจะสลัดออกยังไงก็ไม่รู้ โอเคแค่นี้<ง>แหละทำมากของผู้ธดจ่ามีอะไรซับซ้อนหรอแล้วจะไปมัวหลวปิดอยู่เลยไม่ปิด ม, มีอะไรปิดตรงก็มันเป็นธรรมชาติที่ว่ามันเป็นธรรมชาติของกาะที่ตรงนี้ก็เลยสบายไป ส, สบายใจไปไม่ได้เองไม่ได้ไปอะไรหรอเกี่ ย, ยงไง นก็จบแล้วทีนี้เจ้าไม่มีคำอธิบายแล้วทีนี้ไม่พันสบายแล้วมันไม่ได้สบายอย่างนั้นแต่กสบายเอาสบายแค่นี้ก็พอแล้วจะไปเอาสบายแบบไหนอันสบายแบบอันที่คาดไว้น่ะมันไม่ได้สบายหรอกเอาสบายแค่นี้แหละที่เป็นปัจจุบันขนาดนี้แหละพอแล้วพยายังอันสบายที่คาดไว้อันนั้นน่ะมันยังไปไม่ถึงมันจะถึงก็ต่อเมื่อเรารู้จักความสบายขณะนี้ ไอความสบายขนาดนี้มันจะพาไปเจอไอความสบายขนาดนั้นเองไม่ต้องคาดคิด <Okay. S 1> ไม่ต้องคาดทะเนเ <c oughs> ข้าใจก็ <c oughs> บอกแล้วมันแค่นี้เดี๋ยวไอตัวนี้ก็จะดับเดี๋ยวก็ตัวนี้ตัวใหม่ขึ้นมาให้เข้าใจอย่างนี้ <c oughs> เออมันเกิดขึ้นเรื่อยๆก็ดับไปเรื่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆก็ดับไปเรื่อย ๆ, ร, อย ๆ, ร, อยๆ <iro> รู้การเกิดการดับอย่างเวี้ยมันจะตัดวงจรของการเกิดการดับอัตโนมัติเองเพราะการรู้การเกิดการดับเป็นปัญญาอันชั้มแรกเกลิด ไม่งงวะเขาี้ไม่งงว้ใช่ได้ใช่ได้ม่ให้ภา่เขียนดีแล้วแหละนานานมาทีถ้าอยู่ด้วยบ่อยๆได้ปวดหัวอาตมาเขาจะปวดหัวนี่เขาจะปวดหัวนานนานมาทีคุยกันเพีอะไรอย่างเงี้ยะขอแล้วกวนก็เป็นอย่างเงี้ยตลอดเขาเองอ่ะีนั่งไปเขาี ต้องดูอารมณ์เหมือนกันนั่งรถไปเขาอะเขาเห็นในรถขวางรถจอดรถชาร์มอะเขาก็จะใส่อารมณ์มาที่หน้าแมันไม่แย่อารมณ์ค่ะมีเขาบอกว่าโกรธแต่ไม่โกรธค่ะก็รู้เหาแสดงว่าแสดงว่าเห็นแค่กิริยาเห็นแค่กิริยาภายนอกพระพุทธเจ้าว่ามีอาการอย่างนี้แต่ว่าไม่แต่่แตดับเยี่ยมก็คอยเตือนว่าเนี่ยไปจับกิริยาภายนอกไม่จับอาการจิตของตัวเอง ที่กำลังจะไปจับอาการกิริยาภายนอกของเขาอยู่ต้องจับตัวเองที่นักปฏิบัติจับดูอาการของจิตวิจิตเราจะไปจับกิริยาของเขาไม่ได้จับดูเรากิริยาจิตกิริยาของใจที่จะไปจับข้างนอกนั่นน่ะจับดูนี้่วิดูทันดูทันนะไม่ใช่ไปดูข้างนอกนูไม่ใช่อันข้างนอกเป็นเรื่องของเขาที่เข <คน S 1> าจะด่าวูดด่าว่าด่าลมด่าแรง ด, ด่าฟ้าด่าฝนอมันไม่ใช่ เขาปากไม่พันไม่ทาเขาสิก็ปากเราก็อยู่กับเราใช่ไหมเออเราก็มาห้ามเรานี่มาควบคุมเรานี่รู้อยู่ที่เรานี่คนอื่นเป็นเรื่องของเขาเขาจัดการตัวเขาได้เขาจัดการเกี่ยวกับจิตเกี่ยวกับอารมณ์ของเขาได้เป็นเรื่องของเขาเขาจบอยู่ตรงนั้นแต่ไม่พันไม่จบทีนี้งดหจิตอยู่กับเขาอยู่นั่นเห็นไหมมันเป็นเรื่องเฉพาะของคนของใครของมัน ดูอารมณ์ตัวเองตัวเองมันย้อนมาตัวเองคนอื่นรู้ตัวไปแล้วดูอารมณ์ตัวเองเออคนอื่นเขาเขาอะไรเขาแสดงคาดทีเขาจบกันอยู่ตรงนั้นแล้วแม่พันนี่ก็ยังจะไปอางกลางานี่แลวังดีเกินไปใช้ไม่ได้อยาเป็นมโหตัวเองมันค่อไงีว่าเอ๊ก็มน่อมีโมโหเดี๋ยวนี้มันมีกฎคุณมี แต่เวลาเจอจริงโอ้หมันตึกๆๆเนี้ยใช่ถูกแล้วแสดงว่าจิตสะอาดขึ้น แ, แสดงว่าจิตดีขึ้น ด, ดีสเิเห็นเห็นโมโหใหญ่ที่มันเกิดได้ดีนะั้นเห็นจิตสะอาดขึ้นไงไถ้าถ้าถ้าถ้วยนี้ถ้าไม่ได้ล้างเต็มไปด้วยคราบดำๆเนี่ย ฝุ่นมาเกาะนี่มองเห็นไหมไม่ถ้ามันเต็มไปด้วยข่าบดํำๆทั้งหมดเนี่ยฝุ่นมาเกาะมองเห็นไหมแต่ถ้าล้างสะอาดแล้วฝุ่นมาเกาะนิดนึงมองเห็นไหมจิตสะอาดแล้วถึงมองเห็นอารมณ์อย่างนั้นได้เข้าใจแล้วจะให้มันเปื้อนจิตหรือเปล่าล่ะทีนี้อยู่ที่ตัวเองเลยก็เกิดระดับพอเกิดระดับดูมันแล้วว่ามันก็ไม่เปื้อนแมันก็ไม่ตกค้าง แต่มันก็าหายไปพร้อมเป็นน้มความคิดตรงนั้นอยู่ตธุตรก็จบอ็อกคิดอีกไก็ได้าช่ไหมคะแต่ไม่ไม่มีโมดใช่มันจะสั้าอยู่อมันจะสร้าหลงสราลเรยเรียนรู้ไป เ, เ ร, รื่อยเที่บอกว่าทุกอยู่ไม่ น, า, มนานสุดอยู่ไม่นานเป็นอาการใช่ถูกไม่นะนไม่อะไรอยู่ยังยื่นิพพานอยู่ใกล้ตัวแต่ไม่เห็นนะลูกบอกแลยเตือนเลยิพพานอยู่ใกล้ตัวมองไม่เหน <G ül üyor> เ, เดี๋ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันอยู่ในรูทางอยู่มันถึงแน่อยู่ในรูทางอยู่ <G ül üyor> แค่หลงไปพักๆกันอีกเป็นพักๆ พ, พ, พักยาวหรือพักสั้นอยู่พักยาวๆเลยไม่ใช่พักๆขู่น้องขู่น้อง อูบ้านฟังไลฟ์สดทุกวันหรือเปล่าเปิดทุกวันเปิดทุกวันแต่มาไม่ได้เทศทุกวันเปิดทุกวันแสดงว่าต้องจำค่ะจำค่ะจำต้องบอกว่าดูเฉพาะตอนที่ทายตอนที่ไลฟ์บอกว่าเปิดทุกวันไม่ได้เทศทุกวันนันเองจะดูอะไรดูดูของเก่าของเก่าอ๋อดูของเก่าดูยอดลังจำค่ะดีแล้วจำจำ ฟังของหลวงพ่อองค์อืนมาเก็บไปเก็บแต้มไปเรื่อยๆเป็นบางต้อบงตอนอะบางตอนที่ไม่ถูใจก็ออกไม่ถูกเป็ูเป็นบางตอนของูมาศผูชาตูอะไรเนี้ยเป็นบางตอนจบแล้วมากองพเราเนี่ยเนาะพอแล้วส่อใจแล้วดิต่อใจยังอยากเยอะ ก็ไม่เป็นไรมันก็ยังอีกเยอะก็อเอาความเข้าใจนี่แหละไปปฏิบัตินะหรือมีจะถามอะไรอีกไหมเพิ่มเติมไหมไม่มีก็พอสมควรแต่เวลาวันนี้ก็ญาติโยมที่ติดตามชมก็ให้มีความสุขความเจริญกันทุกท่านอะไรที่เป็นสาระก็นำไปสู่การปฏิบัติอะไรที่ไม่ใช่สาระจีบพูดนอกเรื่องพูดบน่นพูดอะไรไปก็ขออาภัยนะพูดไปอย่างนั้นแหละมี ก็พูดแสรกๆไปอย่างนี้แหละอาตมามันเป็นอย่างนี้แล้วขันสัสดานมันแสดงออกมาอย่างนี้นะก็จะแก้ๆอยู่แก้ไขตัวเองไปเรื่อยๆไม่ไ ด, ไได้นอกเรื่องเลยเออไม่ได้นอกลบ้า <c oughs> บางทีมีคนลาพาง <c oughs> พอแล้วเนี่ยปิดสถีไม่ลยจะรออะไรไม่เอวังเอาเอ้เอเอวัง <c oughs> a 完。